ก็พูดเรื่องการเป็นเรื่องความเป็นเจ้าของว่าของอะไรก็ตามที่เรามีเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นของเรา แต่ว่าไปไประมาเรากลับกลาเป็นของมันไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงอิติยศทรัพย์สมบัติมีแม้กระทั่งคนถึงคนนักครอบครัวแต่ว่าเมื่อวานนี้มันอาจะมีบางท่วงบางตอนที่พูดในชัดเจน ก็ถือกาศขยายความเพิ่มเติมโดยชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าเราจะเป็นของเราจะเป็นของสิ่งใดก็ตาม ก็แต่เมื่อเราเกิดความสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของเราดูดันกลับกันนะคือเราจะมีอะไรอยู่ก็าตามเงินทองทรัพย์สมบัติทังนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของเราพอไปสําคัญมั่นหมายตรงนี้ปุ๊บนี เรากลายเป็นของมันทันทีเลยนะดูมันกลับกันนะเพราะว่าเมื่อเราทำความหมายว่ามันเป็นของเรานะพอมีใครมาเอาไปพอมีใครมาแย่งชิงไปหรือของมันเกิดเสียหายขึ้นมาไม่เป็นไปตามใจเราเราก็ทุกข์แล้วก็ทุกข์แล้วก็โมโหเราก็ ลืมตัวเราก็อาจจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาอาจจะไปทําร้ายเขาอาจจะไปโกงอาจจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แหละที่มันจะไม่เรากลายเป็นของมันไปเลยคือเราลายกลายเป็นทาสเรานอ น, น, อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าจะมีคนมาขโมยไปคอยประครบประงม อย่างมีรถเก่าต้องคอยดูแลไม่ให้มีรอยขีดข่วนจะเป็นวันมาดูานั่นแหลนะหรือที่เขาบอกว่าเนี่ยมีความทั้งหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งวันนะก็พอไปสมคัญม า, มาว่ามันเป็นของเรานะแล้วเราก็เลยกลายเป็นของมันทันทีกลายเป็นทาสมันกลายเป็นคนที่ตกอยู่ภายใต้อำ น, นาจของมัน เหนได้ชาติเลยเพราะถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่เราที่ว่าเป็นเจ้าของนี่เป็นบุคคลเช่นเป็นคนรักจะเป็นลูกจะเป็นสามีภรรยาก็ตามพอเราไปคิดว่าเขาเป็นของเราเราก็พยายามบังคับควบคงไม่ค่อ า, าเป็นไปตามใจเราเขาก็ไม่เป็นไปตามใจเราเราก็ทุกข์ บางทีเรากลับทำ้ายตัวเรเองเพียงเพราะว่าเขาไม่พูดกับเราเขาข้อมืลตึงกับเราอย่างที่แม่แมโดดตึกตายเพราะว่าลูกไม่คุยกับแม่ดูออกเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์แม่พูดแม่สอนก็ไม่สนใจจนกระทั่งเขาก็ไม่พูดกับแม่ แม่ยิ่งคำคาว่าถ้าเธอไม่พูดกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายลูกก็ไม่สนใจจริงอยากจะเชื่ออยาจะเอาชนะหรือไม่เชื่อแม่จะทำอย่างนั้นจะได้เพาแม่ก็ฆ่าตัวตายอันนี้เพรแม่ไปรู้สึกว่าในลูกเป็นของฉันแต่ว่าในสุดก็กลับต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพของลูก ลูกไม่พูดด้วยก็เจ็บช้ำ น, น้ำใจน้อย อ, อกน้อยใจจนกระทํางมายตัวเนี่ยอาจจะคิดว่ารูปเป็นของเราแต่กลายมาเรากกกลายเป็นของลูก เ, เราปล่อยให้ชีมของเราตกอยู่ภายใต้ภายใต้การกระทำของเขาหรือตกอยู่ภายใต้การ รอเราก็าความสูงของเราไปฝากไว้กับการยอมรับของเขาแตาเขาไม่ยอมรับเราเราก็ทุกข์นี่ยมันมันมันดูเหมือนว่าโลกนี้มันเล่นตลกทัน ท, ทีที่เราไปสําคันสมายว่ามันเป็นของเราเราก็กลายเป็นของมัน ท, ทันทีมันก็คล้ายๆกับว่าคน ยิ่งอยากได้ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งเสียหรือยิ่งอยากรวยก็ยิ่งสุขวจนแต่พอไม่อยากนี่ก็กลับรวยอย่างคานทีนี้ก็บอกว่าเป็คนคนที่รวยที่สุดในโลกเขาก็ไม่อยากได้อะไรเลยหรือว่เขาพอแล้วล่ะ ที่เขามีกามีไม่กี่อย่างมีชีวิตก็พอแล้วมีนาฬิกาเรือนหนึ่งเอาไว้รับใช้พระจาใา้ตรงต่อเวลามีผ้าตีอวกอลไม่กี่ผืนมีใยปั่นมีนายตั่นกล้ายั่ง้็เขาซืวอเขารวยมาอาศาลแต่คนที่รวยล้นฟ้าก็ยังรู้สึกจน เพราะว่ายังอยากได้อยู่เสมออยางได้นม่หยุดในความเป็นจริงมันมันจะตาลปัดอย่างนี้แหละดังนั้นเราไม่อยากเป็นของไม่อยากเป็นของอะไรเลยเราไม่อยากเป็นของของบ้านของทรัพย์สมบัติเราก็อยากไปสําคัญบ้างหมายว่ามันเป็นของเรา ตรงนี้นี่ถ้าดูให้ดีมันจะมีเรื่องของตัวกูขกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อเราสองคำนั้มาแล้วสิ่งนั้นมันเป็นของเราเมื่อไหร่ตัวกูก็เกิดขึ้นความเป็นตัวกูของ ก, กูเกิดขึ้น ท, ทันทีและเมื่อรู้สึกว่ามันเป็นของกูไอความเป็นของกูนี่แหละที่มันเป็นตัวเปลี่ยนที่ ทำให้เรานี่กลายเป็นของมันแม่นตัวปูนี่มันเป็นตัวอันตรายอะไรก็ตามที่เป็นของปูสิ่งนั้นก็ทำให้เรากลายเป็นของมัน ท, ทันทีตัวปูนี่มันตัวมันตัวทาให้เราตกกาไปเป็นทันะ้ต้องแมนะ่ต้องระวังแม่งพุทธศาสนาเนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทรัพย์สิน ไม่ไดเป็นเศษเงินซักทีไม่เป็นเศษเงินทองทุศาสนาพยานแล้วว่าความสุจริตทรัพย์นี้ก็มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นสุจริตการใช้ทรัพย์สุจริตการไม่เป็นหนี้ทุศาสนาไม่ปฏิเสธแต่อที่ว่าเราจะมีท่าทีกับทรัพย์อย่างไรคือมีได้นะแต่ว่าต้อง ต้องเกี่ยวเพิ่มาที่ต้องเรื่องตั้งแต่ว่าหามาได้อย่างไรหามาด้วยิธีที่สุดจะดิบไหมและสองเมื่อได้มาแล้วใช้มันอย่างไรใช้มันในทางที่ก่อยเกิดประโยชน์ตัวยุบเปล่าเช่นบางคนมีเงินมากมายแต่ว่าตม น, น, นียวที่เหนียวไม่ยอมใช้อันนี้วดเจ้ะกตาญญู ต้องรู้จักทาความสบายให้กับตัวเองต้องเรียกว่าไม่ที่จะาบอกว่าไม่ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทํานะคนที่ร่ารวย ม, มิเงินเยอะแยะแต่ว่าอยู่อย่างกระเดื่อกระเสียนทําตัวให้ลําบากเรียกว่าไม่เรียกว่ า, นน เ, วาเป็นผู้ที่ละทิ้งสุขโดยชอบทำสุขที่ได้มาโดยชอบทำได้เงินมาเออ ก, ก็ก็ต้องเลี้ยงตัวให้เป็นสุขอยู่ปัจจัยสีบริพอเพียง แต่เท่านั้นยังไม่พอนะต้องรู้จักเลี้ยงผู้อื่นด้วยรลู้อื่นเช่นบริษัทบริวารลูกหลานรวมทังญาติพี่น้องรวมทั้งทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเราจะเป็นในประเทศชาติเช่นจา่าภาษีหรือว่าส ม, มาชีกราสมัยนี้ก็อาจะรวมไปถึงองค์กรการวุฒิสนต่างๆด้วย แต่ถ้านี้ไม่พอแล้วก็ต้องรู้จักวางใจให้ไม่ไม่เป็นท่าวางใจเป็นสลับกับสัตว์สิส่ทรัพย์สินดัลนี้ก็หมายความว่าเออถ้าเงินหายถูกขโมยไปก็ไม่ทุกไม่ร้อนหรือว่าเราให้เขาไปแล้วเขาเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเราก็ต้องทับใจ บทีเราให้เขาไปแล้วเราอยู่นู้นเงินนั้นเป็นของเรายังไปบงังคับตัดเงิในให้เขาใช้เงินอย่างนั้นยังนี้ก็มีมีคนมาเอาถวายเงินมาให้วัดมีคนนึ่งนี่เป็นโยมทึ่มีศรัทธาวัดศรัาหลวงพ่อมาชอบถวายเงินให้วัดถวายเสร็จก็ยังมาคอยดูแล ว, ว่าวัดเอาไปใช้เงินตามที่จะต้องการหรือเปล่าคอยดูอยู่นั่นแหละ จะพอเราไม่ได้ใช้เงินตามที่แกต้องการแกก็ทุกขคอยมาคอยมาพูดคอยมาต่อว่าเลตการอันนี้เรียกว่าทำบุญแล้วก็ได้บาปไปแต่เพราะว่ายังไม่ละวาคื อ, อประโยชน์การให้ทานเนี่ยวัตถุประสงค์การให้ทานเนี่ยมันไม่ได้ ห, หมายถึงบุญที่เป็นคะแนน เป็นบัตรคูปองเอาไว้แลกสวรรค์อะไรได้เราจะเข้าใจว่าบุญมันมาจากพันนาหรือว่าคูปองแต่บุญที่เขาเคยจะให้ทานก็เพราะต้องการให้ให้เกิดการละวางคือไม่ว่าจะให้ทานกับใครวัถตถกประสงค์คือให้เราที่จะปล่อยวางในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ยึดเอาไว้นั้นถ้าเราให้ทา น, นไปเนี่ยก็เข้าใจว่าเออ ต้องปล่อยวางนะนะปล่อยวางคือว่าเราไม่ไม่มานึกเสียใจที่ให้และขณะเดียวกันก็นกเขา้าเขาจะไปทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเพามันไม่ใช่ของเราแล้วต้องปล่อยวางอย่างนั้นแต่ว่าคนคนยญงไม่เข้าใจก็ยังคอยไปตามดูว่าเขาทำอะไรยังรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของฉันอยู่ ถ้ายังสืเป็นเงินของชันอยู่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าถุประสงค์การให้ทานคนไม่เข้าใจทานในความหมายว่าเพื่อละเพื่อฝึกฝนให้เรารู้จักรัะรู้จั ก, กวางซึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์ท่านปลอมัดอยู่ส่วนประโยชน์ในเรื่องของขั้นสวรรค์อันนั้นมันก็อาจจะเกิดจากบุญที่ได้ทําทําบุญไป ก, ก็ก็ได้สวรรค์อยู่ มัคอยอยู่เบื้องหน้าแต่พอไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเลืมเรื่องของการดึงเรื่องประโยชน์ของในขั้นปรมัตาคือการละวางลดละความยึดมั่นถือมัน่นนี้เนี่ยการการเกี่ยวข้องกับทรัพย์เราเกี่ยวข้องกับทรัพย์ให้เป็นคือว่ามี่มีมได้แต่ต้องมีให้เป็นมีให้เป็นก็คือไม่ไปยึดว่ามันเป็นของเรา ถึงแม้าปากกับผู้นี้มีบ้านของฉันีรถของฉั น, น, น, ฉนแต่ใจเราก็รู้ว่า น, นี่ไม่ใช่ของฉันนะอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นสมเป็นสมบัติที่คนเขาฝากให้ฉันดูแลมันไม่ใช่ของฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันมีหน้าที่ดูแลใช้ให้ถูกถึงเวลาฉันตายไปมันก็เป็นของคนอื่น หรือก็เป็นเลือดพระรามคุณก็ไปดูแลอันนี้คิดแบบง่ายๆ ย, ยังไม่ลองคิดไปถึงท่านตัวกูของกูก็ได้แต่มันก็ช่วยลดละความคิดมานถึงมันในตัวกูของกูไปได้แต่ถ้าเรามีปัญญาจกนกระทั่งเห็นว่าออมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเพราะว่าไอ้ตัวเรามันก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วมมันจะมีอะไรที่เป็นของเราได้ ไอตัวกูของกูมันไม่มีจริงแลวกระทั่งร่างกายแม้แา่ความคิดมันก็ไม่ใช่ของเราคือความไม่มีไอตัวกูเป็นพื้นอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นของกูที่สำคัญเพราะพอพอมันไม่มีตรงนี้นี่มันอะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีตัวกูก็ไม่มีกูพกูเป็นผูดทูไม่มีตัวกูก็ไม่มีกูกูดตาย ไม่มีใครตายผู้ยิง่ง่ามันก็ไม่กลัวความตายเพราะว่ามันไม่มีใครตายเนี่ยมันไม่มีกลุ่ผู้ตายตรงนี้มันเป็นตัวเป็นเป็นตัวกดล็อกที่สําคัญที่สุดแต่ว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ก็ยากแต่เราก็สามารถจะจะใช้จะมองไปในแง่อื่นได้อย่างมองว่านทรัพย์สมบัตินี่เราก็เป็นเพียงแค่ผู้รับช่วงดูแลแค่นั้นเอง เป็นของธรรมชาติหรืองานการก็ตามว่าเราทําเราก็ทําแต่ที่เราทํำเราก็รู้ว่างานนั้ไม่ใช่ของเราเนีเมื่อมันสําเร็จออกมาแล้วมันไม่ใช่ของเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นทาให้เกิดขึ้นมางั้นเมื่อเราทํางานเสร็จก็ยกผลงานให้เป็นของธรรมชาติไปผลงานเป็นของธรรมชาติ หรือยกผลงานให้เป็นของฟ้าดิ น, นยอย่างที่คอยอย่างที่บอกเมื่อวันก่อนว่าเนี่ยที่ลักษณะบอรในความพยายามเป็นของ ม, น, มนุษย์แต่ความสําเร็จเป็นของฟ้าผลงานเมื่อออกมาเมื่อสําเร็จก็ยกให้เป็นของธรรมชาติยกให้เป็นของฟ้าดินไปหรือว่ายกให้เป็นของตัตาต์ไปแล้ควรยกให้เป็นของตัตตาตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําน ก็คือว่าเราก็ทําเต็มที่แต่ว่าคนนอกมานั้นมันเป็นของตถตาเป็นเช่นนั้นเองมันเสร็จตัวต่อเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่เสร็จก็เท่านั้นมันถึงเมื่อเหตุประจัยมันพร้อมเมื่อเหตุประจัยไม่พร้อมก็ยังไม่ถึงนี่เรียกว่ายกให้ยกให้เป็นของตัฐตา ถ้ า, ถาเราทํานี้ได้เราก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ไมกังวลเพราะว่าเราก็เกณฑ์นี่เกณฑ์ไม่เจนตัวว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดของเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยอื่นๆเราก็ควบคุมไม่ได้เมื่อเราเจนไม่เจนตัวเราก็ทําเท่าที่ทําได้แต่ว่าผลออกมาอย่างไรนะเราเราไม่สามารถจะไป ไปเคลมหรือไปควบคุมหรือไปเทียบลองผักใส่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เยอะไปหมดก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของตัดทัดตาไปเนื้อเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเป็นของตัดทัดตาเป็นธรรมชาติที่เขาไปทีนี้ใครจะมาวิจารใครจะมาต่อว่าใครจะมาตําหนิอ เราก็รับฟังเอาไว้แต่ว่าไม่ทุกเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติไปแล้วไม่ใช่ของเราแต่ถ้าลูกโซ่เป็นของเราเมื่อไหร่ตอนนี้จะทุกเลยพอมีคนมาแตกพอมีคนมาหนีพอมีคนมาแม้แต่เข้าเฉยๆเราก็ทุกข์เขาแตกงานแต่ว่ามันกระทบถึงเราเพราะว่ายังมีความสําคัญนั้มาว่ามันเป็นของเรา แล้วเราก็เลยการเป็นของมันไปซะเลยต้องคอยปกปักคอยปกป้องคอยคอยเนื้อเย้าเพื่อที่จะมาคอยไม่ให้ใครมาแตะไม่ให้ใครมาวิจารต้องที่มันอาจจะมันอาจจะไม่ดีจริงก็ได้เมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นการก็รู้ว่าไม่มันก็ไม่ดีมันมีข้อจุดอ่อนแต่ว่าเราก็คอยปกป้องมไม่ให้มันไม่ให้มันได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็กลายเป็นแย่ไป เออแต่ท่านฟูมเป็นของธรรมชาติเราเป็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเราเก็บไม่เก็บตัวเราไม่ได้เค็บเป็นของเราแต่พอมีใครมาชี้ช่องว่ามันมีข้อเสียอย่างไรข้อบพองัะไรเราก็ถ้าเรามีเวลาเราก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้เด็กไม่ทําทำด้วยความทุกข์ร้อนทำในท่าที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของของกระบวนการของธรรมชาติแล้วทั้มันดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีกําลังไม่มีเวลาไม่มีความสามารถ ก็ต้องทําใจปล่อยวางไปเออก็ทําได้แค่นั้นเราทําเต็มที่แล้วก็ทำได้แค่นั้นแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็อันนี้เรื่องอุบัตารเป็นอุบัตาที่เป็นความประมาทที่เกิดจากการใช้ปัญญาเจริญนาจนจนกระทั่งถึงขั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่ของหลอกเป็นของธรรมชาติางั้นเนี่ยลองฝึกสายลองวิจัยดูดีในควยมเป็นจริงรอง ล, ม, ลมก็มันก็ดูมันมันประหลัดปหลาด ทันทีที่เรานึกววามันเป็นของเราเราก็กลายเป็นของมันทันทีแต่พอเราไม่เชื่อว่ามันเป็นของเรามันก็กลายเ็นเพราะตั ว, วเราเป็นนายอิสระเหนือมันว่เาเป็นนายอิสระเหนือมันเราจัดการมันแต่มันไม่สามารถจัดการเราได้มันไม่สามารถจะส่งผลมาถึงเราได้ มันแปลกเหมือนกันพอเราพอไม่รู้สึกว่ามันเป็นของเรามันก็กลายเป็นของเราจริงๆก็เมื่อการสึกอย่างที่คุณบบอยนะพอพอเราสละทุกอย่างพอเราสละทุกอย่างให้แก่โลกทุกอย่างในโลกก็กลายเป็นของเรา พเราสละทุกอย่างให้แก่โลกทุกอย่างในโล ก, กอา ก, ก, กาศเดลีของเราการทีนี้โอ้ยเรียกว่าพอสละไปแล้วนี่ยพวกอะไรตอนอะไรก็ไหลามาเทมามีแต่ต้องปฏิเสธนั่นก็เป็นอย่างจริงนะนับบวหรือว่าแักที่มีกายใดต่ามที่ปฏิเสธไม่เอาทศสมบัติอย่างในสมัยก่อนมีศาสนามีมีกายปราศริษณ์มีกาย กายมั น, นิกายเบนดิกตินพวกนี้เนี่ยไม่เอาอะไรเลยครับเป็นนักบวชแต่ถือที่ขาดจารแห่งฟราติสการ น, นีนัก บ, บุญอาซิซิ่นเป็นนิกายฟราติกรไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งเดินทางก็ต้องเดิ น, ด, นด้วยเท้าคนก็สัจธานักถือมากก็เลยอุยเอาอะไรมาให้เป็นการใหญ่ทั้งเงนินทั้งทองทั้งที่ดินพอกก็ว่ารวย ไปมารวยกว่าทิกายอยู่สิแล้วพอรวยแล้วคนนี้ก็เริ่มเสียคนแนละ้วนะก็เริ่มก็เริ่ม ก, ก็เริ่มอิ่มเอ้มนะไปกับทรัพย์สมบัตนะิเพราะทีนี้ไปยึด ม, มันเป็นของเรามันเป็นของเราพอที่เป็นของเราคนนี้แหละคอยก็ยเป็นท่าของมันเลยคอยปกป้องทรัพย์สมบัติจนกระทั้งถ้าจเจ้าแผ่นดินต้องมาแย่งชิงเพราะมันรวยมากเกินไป า ก, ก, ากาสิ์เลยการปิบิซึ่งไม่เหมือนไม่ได้ไต่ ย, ยิการอยู่ทั่วไปเนนในเรื่องเนี่ยทั้งหมดนีก็มันโยมนในเรื่องของตัวกลวงกูัวเสียมาคือต้องละตัวกลวงกลัวยได้โัเกณฑ์บอกตัวเกณฑ์นี้เป็นนัก บ, บวชเป็นพระนิกายกกเซนนิจปุญบวการศึกษาตนการรู้จักตนคือการลู้ตน เมื่อเราลืมตนเมื่อไหร่เราก็จะรู้จักโลกอย่างแท้จริงสืบษาตัวรู้จักตัวคือการลืมตัวลืมตัวมานุว่าการละวางความเป็นตัวตนเสียไม่มีตัวตนให้ยึดถื อ, อ น, นี่เราลืมตัวอันนี้ก็ให้ก็วันนี้ก็ขยายความเพิ่มเติมหลจากที่พูดเมว่านผมคิด ว, ว่าคงจะชัดขึ้นก็เดิน ก็ยึดที่เท่านี้ก็ทำสำเร็จ